มันไม่แรงเหมือนแต่ก่อนก็คือมันมันออกไปอยา่างง่ายก็เลยรู้สึกค่อนข้างจะโล่งแลครับตอนนี้คิดว่าคิดว่าน่าจะใช่หนทางแล้วครับวิชิหลวงพ่อจำชื่อไม่ทันเชื่ออะไรนะชื่อคุณที่วาอ๋อคุณธีวก็น่าจะต้องที่วาได้แล้วที่วาแปลว่าสว่างที่วาตัวนี้ก็เป็น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 อารมณ์หรือเบิฟเบกฟ้าอะไรหลวงพ่ออาสมเนอะหลวงว่อวทำไมสมอหลวงพ่ อ, อายากจะเป็นเบิกฟ้าธรรมารม <c oughs> คุณปี่ชาเป็นยังไงอะไรนี้ก็ยังไม่ได้ถามข่าวตอนนั้นหลวพ่ออยู่อินโดนีเซียคุณมาดีคุณปี่ชาก็าโทรไว้หลวงพ่อกลับมาจากอินโดนีเซียมาแวะได้นั่นเลยปีกายได้ไปแวะที่นั้นไม่ได้ข่าวกันว่าเป็นยัไง ม, มาปฏิบัติที่นี่กับที่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 เอาเป็นเชื้อไว้สําหรับอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าเป็นไอ้ทุกข์แห้งไม้แห้งๆเป็นเจ้าเพลิงแห้งๆอ่ะและ้วท่านท่านอาจารย์มีวิธียังไงแนะนําโยมบ้างไหมค ะ, ะให้ทุกคนนี้นะคะค่ะก็ก็ก็ขอคอ อ, อยืนยันอีกอีกครั้งค่ะว่าวิธีนี้เป็นวิธีแก้ทุกข์ใครทุกได้ได้ตรงจุดที่สุดนะคะก็มาครั้งนี้ก็เหมือนว่ามามามาเพิ่ม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 แปลให้เพื่นฟังเพราะว่ามีแฟนฝรั่งเราพูดฝรั่งได้ยยมแดงก็ได้คุยกันเมือ่อปีนั้นเมื่อปีก่อนเนาะที่ไปก็ ừ, ต่งนะปีนั้นก็รู้สึกว่าหน้าโศกสมโอมทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้นพุกมาแต่วันนี้หน้าเรีวยกว่าเบิกบา น, นแล้วก็มีความสุขขึ้นเนาะ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 คือทั้งโลกครูทั้งโลกคือใช้คำพูดสอนแต่ครูทางธรรมเนี่ยใช้การกระทาสอนใช่ไหมอ๋ อ, อไม่แล้วคาว่าเก่งกับครูนะี่เก่งเก่งด้วยการกระทาไม่ใช่เก่งด้วยการขม่มเก่งมีสองอย่างนะเก่งด้วยทิฏฐิมรนะอันนี้ไม่ดีแต่เก่งด้วยสติปัญญานี่ดีนะอย่างพระพุทธเจ้าเนะ่ย ไปปฏิบัติกับอาราธาราบดุลทักการบดุลจบจบความรู้เก่งกว่าครูปรากฏว่าครูสอนไม่ได้แล้วท่านก็ไปหาความรู้ใหม่พอหาความรู้ไหนท่านก็ได้บรรลุธรรใช่ไหมนั่นเนื้อเลยเก่งกว่าครูก็ทําให้เราเข้าถึงสูงขึ้นนะถ้าหากว่าแย่กว่าครูเขาเรียกว่าอวัยชัดตบุตรถ้าครูรู้เท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นเขาเรียกว่าอนุชาตตบุตรถ้าเก่งกว่าครูเรียกวอภิชาตตบุตรไปอภิชาติ อ๋อน่นเขาเลือกเก่งด้วยทิฏฐิมานะไม่ได้เก่งด้วยปัญญาถ้าเก่งกว่ครูหมายความว่าเคารพครูถ้าเก่งก่าครูถ้าเราไม่เก่งกว่ครูปวสีเราก็ไม่สามารถจะกบครูมหาลัยได้ใช่ั้ยเราไม่ได้เก่งกว่ครูปวสครูปวสก็สอนได้แค่ปวสแต่เราเก่งกว่ครูเราไปปวสหเก่งกว่ครูป6เราไปมอสามเก่งกว่ครูมอสามเราไปมอหกเก่งกว่ครูมอหเราไปมหาลัยเราเก่งกว่ครูมหาลัยไปเป็นยาตีโทเอกใช่ไมนั่นต้องเก่งไปแบบนั้น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 ขี้เป็ดขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายมาทมปุ๋ยชี่วภาพใช่ข้าวขี้กลายเป็นข้าวให้เรากินได้ดูที่ว่าเราจะแปลสภาพมันเป็นไหมทมัสแ o ว o อาคัสตัมห r ืออะเทรชันอัตเตอร์วีอ for civil duties we need to report our practice also you practice there in the วัด t อยเท the same here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 เอาไม่เป็ไใครว่างที่พอจะเป็นคนไหนเอยเออโอเคโยมไปยึดไปล่าไม่เหน่อยนะะเออคนไหนเออค่อเชิงข้างหน้าหน่อยเออเออมาข้างหน้าอัะไงเออข้างหน้าหน่อยเอา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 ที่นั่นตังบุตรฝรั่งนี่จะตื่นตีสามตีสี่ 3, 4, อย่างเราไม่ได้นะก็ตื่นเจ็ดโมงแปดโมงหรือสิบโมงนั่นแต่คนนี้เขาตื่นได้เออเราพาตื่นตีสามกว่าสามสามทุ่มเราพาหยุดก็หยุดสามทุ่มเหมือนกันนะคือที่วัดดอยที่หลวงพ่อเนี่ยจะคือเรามีคอนเนคเกี่ยวกับไอ้ไมโครเนตฟาร์มของคุณชินวรเมื่อก่อนคุณชิวรไปพามาปฏิบัติที่นี่ต่อมาท่านก็สึกออกไปอ่าสึกออกไปแล้วก็ไปทํา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 จิตมันหลอนะคะเดินจงกมอยู่แล้วมันบึ๊กเข้าไปคือจิตกำลังปรุงแต่งเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดด้วยช่วงที่เดินจงกรมเพราะว่ากลัวการการตายการเกิดก็พิจารณาตรงนี้ไปเสร็จแล้วมันบึ๊กเข้าไปแล้วก็ตุงลึกมากเลยค่ะเข้าไปในสภาวะที่ออกจากอารมณ์ไม่ได้ะคะ่ะ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 ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปแต่ว่าตอนแรกจะไปโสมนัสอีกพอดีว่ า, อ, าอยากจะเก็บอารมณ์อะค่ะที่ที่จะไปโสมนัสแล้วไปเก็บอารมณ์ที่เชียงรายแต่พอดีว่าที่การเบิงการเนี่ยก็ให้เก็บอารมณ์ที่นั่นก็เลยอยู่เก็บอารมณ์อยู่ที่เบิงการ ก, ก็เลยไม่ได้ไปเชียงรายเป็นของคุณวิริสันซึ่งเขามีที่อยู่สี่พันไร่ค่ะ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 อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเล่าขวัญนะคะเดือ์นการค่ะที่พระอาจารย์คมกิจไปพาทำไมค่ะทั่นี้กราบคุณค่ะกราบมัสการท่านอาจารย์และพระสงฆ์ทุกลูกค่ะดิฉันชื่อนางสมศรีโจละสาค่ะมาจากกรุงเทพค่ะ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 รอบใหญ่เลยนะกว่าจะวกเข้ามาได้ก็ดีนะคุณไม่หลุดไปนะเพราะคุณมีวิบากกรรมเยอะถ้ะอาออกไปใช้วิบากกรรมจนป่านนี้ก็ยังไม่หมดอีก mm hmm. ก็นื่งจากว่าถ้าหากว่าตัววิบาก้มันยังแรงอยู่เราก็ต้องไปใช้วิบากนั่นก็คือเราจะต้องไปนั่หมายความว่าขณะที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้สัมมาทิฏฐิออกไปเพราะนั้น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 ข้ออะไรเขาไปเจออะไรต่ออะไรหลายอย่างเรื่องเรื่องเรื่องทิฏฐิอาจารย์นี่สำคัญมากนะถ้าหากเราไปเจออาจารย์ที่ไม่ไม่ใช่สมณะทิฏฐินี่แท้จริงนะอันตรายขอเรื่องทิฏฐิเรื่องละเอียดมากนะเหมือนเสมือนถูกแต่ไม่ใช่ถูกเสมหมือนผิดแต่อาจจะไม่ผิดแต่เราแยกไม่ออกว่าอันไหนมันลึกๆ้วมันถูกหรือมันผิดเพราะนั้น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 เราเรียกว่านิ้วใช่ไหมเวลากำเข้าไปก็เรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกาปั้นเรียกวากำปัน <c oughs> ำป้นเขาว่ามือหายไปใช่ไหมเวลาแบออกกำปั้นยังอยู่ไหมกำปั้นหายไปไหนเวลากำเข้าเนี่ยรู้สึกสบายหรือไม่สบาย เวลาเบออกเนี่ยความสบายมาจากไหนความไม่สบายหายไปไหนนั่นดีถ้าคลายออกอะไรหายไปเนีย่ยถามตัวเนี้ยของจริงเนี่ยแต่ก็ยังงงอยู่ทั้งมือทั้งกํำปั้นเราเรียกว่าอะไรแต่ว่ารูปใช่ไหมรูปแต่ถ้ารูปถ้ามันกำมือมันหนักแต่ถ้ามันปล่อยวาง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 เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าใครได้สมาธิฐี่ใครจะไปปฏิบัติสำนักไหนกี่ร้อยอาจารย์เนี่ยไม่มีหลงทางยิ่งไปเสื่อมให้ดีขึ้นอืมหามารม็ยังไม่เป็นสมาธิฐีจนเท่าปั่นนี้เนี่ยหายไปไหนดูตอนนี้เพราะฉะนั <laughs> ้ น, นต้องทำเรื่องสมาธิถีให้ชัด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 ขคียมทนายสศุสกพาพร้อมกัน